พู้เยี่ิงสมัมผัสสี่ยงชวนผีกลับบ้านกูไม่อยากได้บุญกูอยากได้ชีวิตเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานแล้ว สมัยที่ผมเรียนมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพผมเป็นคนชอบอิสระจึงเช่าหอพักอยู่คนเดียวเวลาจะไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องกังวลว่าจะรบกวนเพื่อนร่วมหอ้องคืนหนึ่งเพื่อนๆชวนกันไปสังสรรค์ที่ลานเหล้าไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยมากนักผมอยากไปเจอรุ่นพี่รุ่นน้องที่จะมาด้วยพอดี อีกทั้งไม่ต้องกังวลเรื่องกลับดึกเพราะนอนคนเดียวอยู่แล้วจึงตอบรับคำชวนแล้วไปเจอเพื่อนๆที่ร้านพวกเราดื่มกินกันสนุกสนานเฮฮาคุยกันหลายเรื่องเพราะบางคนไม่ได้เจอกันบ่อยมากนักเวลาล่วงเลยมาจนถึงเที่ยงคืนผมก็เห็นว่าดึกแล้วพรุ่งนี้มีนัดติวหนังสือกับเพื่อนที่มหาวิทยาลัยด้วยคิดว่า น่าจะถึงเวลาแยกย้ายกันกลับเสียทีจึงพูดขึ้นว่าเฮ้ยพวกเรากลับบ้านกันเถอะทุกคนเห็นด้วยบางคนเริ่มเมาก็อยากกลับไปนอนแล้วเมื่อจ่ายค่าอาหารและแยกย้ายกันกลับผมก็เดินไปที่ลานจอดรถมอเตอร์ไซค์ตอนนั้นรู้สึกเย็นวาบที่กลางหลังเหมือนมีใครตามมาด้วยพอหันกลับไปก็ไม่เห็นใครในบริเวณนั้นเลย ผมคิดว่าตัวเองคงมืนจากฤทธิ์แอลกอฮอล์อยู่บ้างถึงแม้ว่าจะระวังไม่ดื่มจนเมาแล้วเพราะพรุ่งนี้ต้องไปติวหนังสือก็ตามผมพยายามสะบัดหัวให้ตื่นตัวขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วขี่กลับหอพักแบบไม่คิดอะไรระหว่างทางผมรู้สึกปวดหลังและต้นคอแต่ยังพอทนไหวก็ขี่รถกลับถึงหอได้เวลาประมาณตีหนึ่ง อาการปวดเริ่มมีมากขึ้นผมรีบทําทุรบ ส, ส่วนตัวหายาแก้ปวดมากินแล้วรีบเข้านอนคิดว่าถ้าได้นอนพักพรุ่งนี้ตื่นมาอาการปวดคงหายไปบ้างแล้วพอนอนไปได้สักพักประมาณตีสองกว่ า, วาผมก็รู้สึกตัวตื่นแต่ยังไม่ลืมตาทั้งๆ ท, ที่ผมนอนอยู่คนเดียวบนเตียงแต่กลับรู้สึกว่าที่นอนข้า ง, างยุบตัว คล้ายกับมีคนมานอนด้วยผมง่วงมากจึงเผลอหลับไปโดยไม่รู้ตัวรุ่งเชา้าอาการปรวดหลังและคอยังมีอยู่คิดว่าคงเป็นในการปรวดเมื่อยธรรมดาผมจึงรีบเตรียมตัวออกจากห้องเพราะเห็นว่าใกล้เวลานัดดิวหนังสือแล้วขณะที่ขี่มอเตอร์ไซค์เขาไปจอดในมหาวิทยาลัยแล้วก็เดินเข้าอาคารไป รุ่นพี่ที่เห็นก็ทักว่าเฮ้ยไอ้น้องวันนี้พาใครมาด้วยเพื่อนเหรอผมได้ยินก็แปลกใจพอรุ่นพี่เห็นสีหน้างุนงงของผมก็พูดว่าจะงงทำไมวะก็เห็นผู้ชายนั่งซ้อนหลังเองเมื่อกี้ผมคิดว่ารุ่นพี่หลอเล่นพี่อัมผมใช่เป่าเนี่ยแต่รุ่นพี่ก็ยังยืนยันไอ้บ้าพี่ไม่ได้อัมพี่เห็นจริง เราทั้งคู่มองหน้ากันแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรพอได้ยินเสียงเพื่อนเรียกผมก็เลยขอตัวจากรุนพี่แล้วไปติวหนังสือตามที่ได้นัดไว้เมื่อติวกันเสร็จก็แยกย้ายกันเข้าห้องเรียนในชั่วโมงเรียนอาจารย์ให้แบ่งกลุ่มได้กลุ่มได้เจถึงแดคนกลุ่มของผมมีกันแค่สี่คนแต่อาจารย์ก็ให้ทำรายงานได้ ระหว่างที่เพื่อนๆกำลังทำงานกันอยู่ผมก็เผลอหลับด้วยความอ่อนเพลียเพราะเมื่อคืนปวดหลังและคอเป็นพักๆทำให้หลับไม่สนิทพออาจารย์มาเห็นเข้ากลุ่มของผมจึงถูกลงโทษให้ทำรายงานให้เสร็จภายในวันเดียวด้วยที่ไม่มีชั่วโมงเรียนต่อจากนี้แล้วจึงสามารถใช้ห้องนั้นทำงานต่อได้เลยตอนนั้นก็เป็นเวลาเย็นแล้ว ถ้าชักชาอาจจะต้องกลับบ้านดึกพวกเราทั้งสี่คนจึงต้องเร่งมือทำงานให้เสร็จเป็นสองเท่าเพราะคนจำนวนน้อยกว่ากลุ่มอื่นเกือบครึง่งแต่ปริมาณงานที่ทำมีพอๆกันพวกเราทำงานไปจนถึงสองทุ่มกว่าๆงานเสร็จไปได้ครึ่งทางเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มชีโตรงทำจมูกฟุดฟิดเหมือนได้กลิ่นอะไรบางอย่างแล้วมันก็บอกว่า กูได้กลิ่นเหม็นๆว่ะเพื่อนไอ้นายมึงได้กลิ่นหรือเปล่าวะนายเงยหน้าขึ้นจากรายงานขึ้นมาตอบว่าเออได้กลิ่นเหมือนกันแล้วนายก็หันไปหาซีซีทาไมวันนี้เงียบจังวะผมก็เสริมไปว่าเออใช่ไอซีทํำไมเงียบจังปกติพูดมากนี่วะ่ะแต่ยังไม่ทันที่ซีจะตอบอะไรก็มีเสียงผู้หญิงร้องแล้วกรีดเสียงดัง จนทุกคนสะดุงพวกเราทั้งสี่นิ่งเงียบ ร, รอฟังต่อว่าจะมีเสียงอะไรตามมาอีกเท่าที่ดูนักศึกษาคนอื่นกลับกันไปหมดแล้วไม่น่าจะมีใครนอกจากพวกเราสี่คนผมลองเดินไปสำรวจบริเวณไกลๆก็ไม่มีใครจึงกลับมาบอกให้เพื่อนรีบทำงานกันต่อเสร็จแล้วจะได้รีบออกจากที่นี่เร็วๆ พอเวลาประมาณสามทุ่มงานที่ทำก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างใกล้เสร็จเต็มทีผมก็ได้ยินเสียงร้องช่วยช่วยและตามมาด้วยเสียงกรีดร้องแบบผวาสุดขีดแล้วก็เงียบไปพวกเราหันมามองหน้ากันเห็นได้ชัดว่าทุกคนได้ยินเสียงนั้นเหมือนกันเสียงร้องนั้นใกล้มาก เหมือนเกิดในห้องที่พวกเรากำลังทำงานอยู่นี่เองทั้งสี่คนไม่พูดอะไรก้มหน้าก้มตาทำงานต่อจนเสร็จในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเมื่อเก็บของเสร็จแล้วพวกเราต่างคนก็แยกย้ายกันกลับระหว่างทางที่ผมขี่มอเตอร์ไซค์กลับหอพักก็ยังรู้สึกปวดหลังและคออยู่เหมือนเดิมคิดว่าถ้าพรุ่งนี้อาการยังไม่ดีขึ้น ผมต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วคืนนั้นขณะที่ผมกำลังนอนครึ่งหลับครึ่งตื่นก็รู้สึกเหมือนมีบางอย่างมาทับตัวผมอึดอัดขยับตัวไม่ได้ตอนที่กำลังสับสนว่าเป็นความฝันหรือความจริงเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้น มันทําให้ผมสะดุ้งตื่นจากผวังผมกลับมามีเรี่ยวแรงและขยับตัวได้เหมือนเดิมจึงคว้าโทรศัพท์มารับสายเสียงนายเพื่อนสนิทของผมโทรมาขอนอนด้วยเพราะเพิ่งโดนพิยำไปเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาผมตอบตกลงในทันทีแล้วก็บอกว่าตัวผมเองก็เกือบจะโดนเหมือนกันแต่ได้เสียงโทรศัพท์ช่วยไว้หลังจะวางสายคงนาย ทั้งโตงและสีก็โทรมาบอกว่าโดนผีอำเหมือนกันแต่ละคนเล่าด้วยน้ำเสียงที่สั่นและดูเหมือนว่าจะตกใจและกลัวมากผมจึงบอกให้ทั้งหมดมารวมตัวกันที่ห้องของผมเมื่อมาถึงห้องแต่ละคนก็จักแจงที่นอนของตนรู้สึกอุ่นใจขึ้นเมื่อได้มาอยู่รวมกันพวกเรานอนไปได้สักพักก็ได้ยินเสียงนายร้องตะโกนลั่นว่า ออกไปออกไปผมตรงและสี่ตกใจสะดุ้งตื่นรีบเปิดไฟในห้องเราทั้งหมดเห็นนายกำลังนอนตัวสั่นสะท้านไปทั้งตัวผมรีบปลุกเพื่อนที่ตัวสั่นเหมือนกลัวอะไรสักอย่างพรนายลืมตาตื่นขึ้นมาตรงก็รีบเอาน้ำมาให้ดื่มผมถามนายว่าเป็นอะไรวะตัวสั่นเชียวตะโกนอยู่ได้ว่าออกไปออกไป จนสะดุ้งตื่นกันหมดแล้วเนี่ยนายยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนิ่งเงียบไม่ตอบอะไรผมก็ไม่อยากถามแซวซีต่ออีกไม่กี่ชั่วโมงก็เช้าแล้วทุกคนจึงแยกย้ายกันไปนอนต่อเช้าอีกวันพวกเราเดินออกไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวใกล้หอพักเมื่อเขียนรายการอาหารใส่แผ่นกระดาษเสร็จผมก็เรียกผู้ชายที่กาลังเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวให้โต๊ะอื่นอยู่ มารับกระดาษไประหว่างที่เราก๋วยเตี๋ยวพวกเราทั้งสี่คนก็เริ่มคุยกันถึงเหตุการณ์สยองที่เจอมาเมื่อวานสี่เล่าว่าเมื่อวานตอนที่พวกเรากําลังทำงานกลุ่มกันอยู่สี่เห็นเงาางๆเหมือนผู้หญิงนั่งบนไหล่ของผมตอนแรกคิดว่าตัวเองตาฝาดสี่จึงหันไปมองทางอื่นแต่เมื่อกลับมามองที่ผมก็เห็นเงานั้นเหมือนเดิม ผมขยับไปไหนผู้หญิงที่นั่งบนไหล่ก็ตามไปด้วยตอนนั้นซีกลัวมากแต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรพยายามทำงานต่อให้เสร็จพอเงยหน้ามองอีกทีเงาบนไหล่ผมก็หายไปแล้วผมได้ฟังก็เริ่มประติดประต่อเรื่องทั้งเรื่องที่ผมปวดหลังกับคอเรื่องที่รุนพี่ทักว่ามีคนตามผมมาด้วยลาวเพื่อนยังมาบอกอีกว่า เห็นคนนั่งบนไหล่ของผมอีทำให้ผมขนลุกขึ้นมาทันทีอาการปวดหลังกับคอตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ไม่รู้ว่าเพราะมีใครนั่งอยู่หรือเปล่าผมไม่อยากนึกภาพเลยจริงๆในเมื่อยังไม่มีใครพูดอะไรเพิ่มผมจึงหันไปถามนายว่าแล้วเมื่อคืนเจออะไรเล่าได้หรื อ, อยังวะนายคว้าแก้วน้ำไปดื่มอึกใหญ่ก่อนจะเล่า ว, ว่า ระหว่างที่กำลังเคลิ้มหลับในห้องของผมก็เห็นเงาตะคุ่มสีดำตัวใหญ่เดินมาที่เตียงแล้วกระโดดขึ้นทับตัวของนายแล้วเขาก็รู้สึกว่าขยับตัวไม่ได้เริ่มหายใจไม่ออกซึ่งมันเป็นอาการเดียวกันกันกบที่เจอในห้องนอนของนายเองด้วยขณะที่กำลังพยายามดิ้นให้หลุดก็ตะโกนไล่เงานั้นให้ออกไป จนผมมาเรียกเขาจึงขยับตัวได้ต้งและสี่ได้ฟังก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเจอใครๆกันตอนที่โดนเหมือนจะขาดอากาศหายใจติดขัดนึกว่าจะไม่รอดแล้วขณะที่พวกเราทั้งสี่กำลังเล่าเรื่องสยองที่เจอมาเจ้าของร้านกว๋วยเตี๋ยวก็ยกกว๋วยเตี๋ยวมาเสิร์ฟแล้วบอกว่าหกเรือสั่งสีถ้วยจะกินอิ่มเหรอ มากันตั้เป็นสิบพวกผมตกใจและบอกลุงว่าผมมากันแค่สี่คนนะลุงเจ้าของร้านทำหน้างงและบอกว่าอา้าวก็เพื่อนที่ยืนอยู่หน้าร้านนั่นไงแล้วลุงแกก็เดินไปทำก๋วยเตี๋ยวต่อพวกเรามองหน้ากันคิดว่าอาจจะถูกวิญญาณตามมาก็ได้จึงพูดออกไปว่าอย่าตามมาได้ไหมเดี๋ยวทำบุญไปให้ แต่ยังไม่ทันขาดคำพวกผมก็ได้ยินเสียงตอบกลับมาว่ากูไม่อยากได้บุญกูอยากได้ชีวิตมันเป็นเสียงดังกล้องในหูของพวกเราแต่คนอื่นๆในร้านก๋วยเตี๋ยวกลับไม่ได้ยินพวกเรากลัวมากจนกินอะไรไม่ลงรีบจ่ายเงินแล้วออกจากร้านไปผมคิดว่าเรื่องทั้งหมดน่าจะเริ่มต้นจากร้านเราที่ผมไปคืนนั้น พอกลับจากร้านเราผมก็มีอาการปวดหลังและคอจึงชวนเพื่อนๆไปถามประวัติกับคนที่ร้านตอนแรกพนักงานที่ร้านก็บ่ายเบี่ยงไม่อยากเล่ากลัวเจ้าของรู้และคิดว่าจะทำให้ร้านเสียชื่อเสียงแต่พอพวกเราเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องผีอัมและวิญญาณอยากได้ชีวิตพนักงานจึงยอมเล่าวา่าเมื่อหลายปีก่อน ที่ร้านเคยมีแขกมากินเหล้าโดยที่มีโรคประจำตัวอยู่ในขณะที่กำลังนั่งกินกันอยู่นั้นอยู่ๆเขาก็หัวใจวายเสียชีวิตตายคาโต๊ะภายในร้านถัดมาไม่นานมีกลุ่มที่เมาแล้วทะเลาะ ก, กันคนที่ร้านก็ช่วยกันห้ามจนอีกลุ่มออกจากร้านไปนึกว่าเรื่องจะจบแล้วไม่นานกลุ่มที่ออกไปก็กลับเข้ามาอีก คราวนี้มีอาวุธมาด้วยสองกลุ่มตะลุมบอลสู้กันจนข้าวของแตกกระจายแค่คนอนื่นวิ่งหนีกันจ้าละวันกลัวจะโดนลูกหลงกว่าตำรวจจะจัดการได้ก็มีคนบาดเจ็บสาหัสอีกหลายคนบางคนโดนมีดแทงตายภายในร้านบางคนถูกส่งตัวไปรักษาแต่ทนเจ็บไม่ไหวก็ตายที่โรงพยาบาลทางร้านพยายามปิดข่าว แต่แขกก็น้อยลงย่างเห็นได้ชัดพอเวลาผ่านไปเรื่องก็เงียบลงนักศึกษาใหม่ๆไม่เคยรู้เรื่องคนตายก็มากินที่ร้านจนเริ่มมีแขกมากเหมือนเดิมพวกเราฟังแล้วก็อึ้งไปตามๆกันวิญญาณที่เล่ามาตายหงกันทั้งนั้นในใจคงมีแต่ความโกรธแค้นผมและเพื่อนๆจึงตกลงกันว่าจะไปวัดทาบุญ อุทิศ ส, ส่วนกุศลให้แม้วิญญาณจะบอกว่าไม่อยากได้บุญก็ตามแต่ก่อนจะไปวัดพวกเราต้องแวะเอางานที่ทำเมื่อวานไปส่งที่ห้องพักของอาจารย์ก่อนแต่นายบอกว่าจะต้องกลับไปห้องเพื่อไปเอาของผมโตงและสี่สามคนจึงจะไปที่มหาวิทยาลัยโดยนัดกับนายว่าให้ไปเจอกันที่วัดหลังจากวางรายงานไว้ที่โตอาจารย์แล้ว พวกเราเดินไปที่ลานจอดรถขณะที่เดินกลับจะต้องผ่านห้องไทยเอกสารผมสนิทกับพี่ที่ทำงานอยู่ตรงนั้นเพราะมาไทายเอกสารเป็นประจำจึงเข้าไปบอกว่าเอกสารที่ผมบอกว่าจะม า, าวันนี้ขอเลื่อนไปก่อนนะพี่ผมกับเพื่อนจะไปวัดกันช่วงนี้เจอเหตุการณ์แปลกๆบ่อยก็เลยว่าจะไปทำบุญสักหน่อยพี่ผู้ชายก็ถามเหตุการณ์อะไรแปลกๆวะ ก็เมื่อคืนนี้อะพี่เพื่อนผมหลายคนโดนผีอ่ำแล้วเมื่อวานช่วงคํำๆก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องกรีดในห้องที่พวกผมกําลังทํารายงานกันอยู่พี่ผู้ชายทําตาโตด้วยความแปลกใจบอกว่าใช่ห้องเรียนเล็กหรือเปล่าผมพยักาหน้าพวกเราทั้งสามมองหน้าพี่ที่เหมือนจะรู้อะไรสักอย่างแกเล่าว่าห้องที่พวกแกทํางานกันน่ะเคยมีเรื่องเล่าว่า มีคู่รักซึ่งเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงไม่รู้มีปัญหาอะไรกันมาทั้งคู่ตัดสินใจมาผูกคอตายด้วยกันในห้องนั้นแม่บ้านที่ตึกนั้นเคยเล่าให้พี่ฟังว่าวันหนึ่งแกต้องไปช่วยจัดสถานที่ที่ห้องสัมมนาจนถึงเย็นจึงมาทำความสะอาดที่ตึกตอนไกรคาตอนนั้นแกถูพื้นทางเดินอยู่ก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องกรีดอยู่ภายในห้อง พอเปิดประตูเข้าไปดูก็ไม่เห็นมีใครแกจึงปิดประตูแล้วกลับมาถูพื้นต่อแล้วแกก็ได้ยินเสียงกรีดร้องนั้นอีกครั้งนี้ร้องดังและยาวกว่าครั้งก่อนมากแกไม่เปิดประตูไปดูอีกแล้วนะรีบเก็บข้าวของเดินกลับไปห้องแม่บ้านเลยพวกผมได้ยินเรื่องที่เล่าก็ขนลุกไปทั้งตัวคราดีที่เราทั้งสี่ได้ยินแค่เสียง ไม่ได้เห็นอะไรไปมากกว่านั้นถ้าเป็นเมื่อก่อนได้ฟังแล้วอาจจะไม่เชื่อแต่หลังจากเหตุการณ์เมื่อคืนและที่ร้านก๋วยเตี๋ยวพวกเราจึงเชื่อว่ามีวิญญาณในห้องนั้นไม่รู้ว่าที่ผมชวนเพื่อนๆกลับบ้านจะเป็นการชวนวิญญาณให้ตามพวกเรากลับมาด้วยหรือเปล่าผมเริ่มหวั่นใจว่าพวกเราจะไม่ปลอดภัยจึงรีบลาพี่ผู้ชายแล้วเดินทางไปวัดในทันที เมื่อไปถึงที่วัดตรงก็โทรหานายเพื่อจะบอกว่าพวกเราถึงที่วัดแล้วแต่นายไม่ได้รับสายพวกเราจึงไปทำบุญกรวดน้ำแล้วไปหาหลวงตาแต่ยังไม่ทันที่จะเล่าเรื่องให้ท่านฟังหลวงตาพอได้เจอพวกเราท่านก็พูดว่าอืมไปรับเขามาเหรอพวกเราทำหน้างงไม่แน่ว่า หลวงตาจะเห็นอะไรตามพวกเรามาก็าได้ผมก็ตอบท่านไปว่าไม่ได้รับมาครับแล้วผมก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้หลวงตาฟังระหว่างที่ผมเล่านั้นต้องได้ยินเสียงโทรศัพท์เมื่อรับสายนายก็บอกว่ากำลังขับรถจะไปที่วัดต้องได้ยินก็บอกกับนายว่าเออพวกกูอยู่ที่วัดนี้แล้วกำลังคุยกับหลวงตาอยู่ไอ้นายมึงรีบมาด่วนเลยนะ พอสิ้นเสียงโตงก็ได้ยินเสียงนายตะโกนด้วยความตกใจเฮ้ย hey, ผู้หญิงแล้วสายก็ตัดไปโต้งพยายามโทรกลับแต่นายก็ไม่รับสายเขากำโทรศัพท์แน่นกังวลว่านายจะเป็นอะไรไปหรือเปล่าจึงรีบวิ่งมาบอกพวกผมที่กำลังคุยกับหลวงตาอยู่ส่วนผมเมื่อเล่าเรื่องทั้งหมดให้หลวงตาฟังแล้ว ท่านก็หลับตานั่งสมาธิสักพักก็ลืมตาขึ้นมองมายังพวกเราที่นั่งใจจดใจจอ่อรอให้ท่านช่วยเรื่องวิญญาณที่ตามพวกเรามาหลวงตาบอกให้พวกเราใจเย็นๆแล้วพูดว่าตอนนี้วิญญาณเหล่านั้นไม่ตามพวกเองแล้วเพราะเพื่อนของพวกเองคอยคลุ้มครองอยู่วงวางก็ทำบุญให้มันด้วยพวกเองจะกลับก็กลับไปได้แล้ว พวกเรางงกับสิ่งที่หลวงตาพูดแต่ก็เป็นห่วงนายจึงลาหลวงตากลับระหว่างทางกลับไปที่หอพักอาการปวดหลังและคอของผมก็หายไปเป็นปลิดทิง้งสักพักต้องก็ได้รับโทรศัพท์ซึ่งเป็นหมายเลขของนายโทรเข้ามาแต่เป็นเสียงของผู้หญิงพูดเมื่อคุยไปจึงได้ความว่าขณะที่นายกำลังขับรถอยู่เขาเจอผู้หญิงที่กาลังเดินข้ามถนน เดินตัดหน้ารถในระยะ ก, กระชันชิดทำให้นายต้องหักรถหลบแล้วไปเจอกับสิบล้อที่ขับสวนมาด้วยความเร็วสูงนายถูกชนจนเสียชีวิตในทันทีและหมายเลขโทรศัพท์ของตรงก็เป็นหมายเลขสุดท้ายที่นายโทรหาทางโรงพยาบาลจึงติดต่อให้ช่วยแจ้งทางญาติของนายให้ด้วยพวกเราทั้งสามคนเสียใจมาก น้ำตาของผมไหลไม่หยุดเพราะนายคือเพื่อนสนิทของผมตั้งแต่เรียนมปลายหลังจากเหตุการณ์นั้นผมต้งและสีก็ไปทำบุญให้นายอยู่เสมอและไม่เอ่ยคำพูดที่จะชวนกันกลับบ้านอีกเลยเพราะไม่อยากให้อะไรตามกลับมาที่บ้านอีก สัมผัสสยอง